แต่ตอนเด็กๆแย่งกันนั่งหน้านะพอโตขึ้นมาแย่งกันนั่งหลัง<อ>จริงมันนั่งหน้าก็ดีนะใกล้กันไหนใกล้จิตที่จริงเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าผู้ทิ่ใกล้เขาใกล้ปรัชนาตานะเขาใกล้เระพุทธธรรมผสม คือควเป็นตุบาตุคุบาติตาคือตรง น, นี้คือเข้าใกล้อยู่จึงว่าคุ้นเคยสนิทใจหรือว่าบางทีจิตใจเราเนี่แหละเข้าถึงเข้าใกล้ตอนเดพาร์เข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นนี่เนี่ยคือควเป็นตุบาตุคุบาติตาเขาว่าแต่ถึตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าแต่ตัวแบบไหนไม่ใช่ว่าทำบุญมากน้อยเท่าไหร่แต่สำคัญที่ว่าจิตใจเรา ขอเคกับธรรมะคุ้นเคยกับคุ้นเสยกับสภาวะที่เรียกว่าเป็นพุทธรรมะมากขนาดไห น, นอันนี้คือคือพี่ทีวัดว่าใครเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้ า, ามากกว่ากันบางทีดูที่ภายนอกไม่ได้นะบางคนอยู่ในวัดนะแต่บางทีไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมก็มีนะแต่บางคนอยู่ที่บ้านหรือว่า นานาประวัติีหรือบางทีไม่ได้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบแต่จิตใจหรือว่าเขามีสติรู้ตัวกับการที่กําลังทําอะไรอยู่นบางทีก็เป็นสิ่งที่ผงชัดีได้ชัดกว่าว่าอันนี้แหละคือคนที่เรียกว่าเข้าใกล้พระราชนทรมากกวันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบภายนอกหรือไม่อยู่ที่กิริยาอาการที่แสดงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางที เราวะเอารูปแบบภายนอกมาวัดไม่ได้หรอกว่าใครคือผู้ที่ปฏิบัติได้ดีกับกันอย่างบางคนอาจจะมีความคิดเช่นถ้าถ้าเรานั่งได้นานๆนะแต่ถ้าเราเดินได้นานๆถ้าเราอดทนได้มากไนะม่ขยับปเขยื้อนเลยอันนี้ยคือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดนะีบางทีคนก็ไปหลงกลาบใบแบบนั้นก็มีนะไปหลงคิดแบบนั้นก็มีแต่บางทีนะบางคน ดูยกยิกยุกยิกดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่จิตใจถ้ามีธรรมะเปี่ยมตนก็มีนะมีเยอะแยะเลยนะแม้แต่พ้าก็เหมือนกันนะบางทีดูแค่ภายนอกดูไม่ออกหรอกบางทีสำรวมระวังต่อหน้าญาติโยมแต่ภายนอกนแต่ต่อหน้าหรือแต่พอรับรังอาจจะไม่สารวมระวังก็ได้หรือบางทีสารวมแต่ภายนอกแต่ภายในใจไม่สารวมก็ได้ แต่คูบาอาจารย์บางรูปภายนอกนะไม่จำรวนนะแต่ภายในท่านไม่มีอะไรเลยแตนั่นก็มีนะที่รูปแบบนะรูปแบบภายนอกนี้มันเป็นสิ่งที่ก็แค่ดูไม่ต้องเข้าใจิลยนะแต่การปฏิบัติธรรมนี่จะทําให้เราไม่ค่อยไปสนใจกันอยู่เท่าไร่หรอกนะมันไม่ใช่พอปฏิบัติธรรมแล้วจะไปเรีอกว่าไปรู้ว่าคนนั้นตคนนี้ปฏิบัติดีไม่ดีอย่างไรบางทีนั้นก็เป็นเรื่องภายนอกตัว แต่ยิ่งปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่นะยิ่งกลับมาดูตัวเองนะไม่กลับไปเพ่งโทษที่คนอื่นนะไม่ไปดูคนอื่นว่าเขาทําอะไรนะเขาถึงขังน้นไหนอันนั้นใจมันจะวางแล้วเรื่องของท่านเรื่องของเขานะเรื่องของเราคือกลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้กิเลสเกิดขึ้นไหมตอนนี้ใจเราหลงไปจับผิดจับถูกเขาหรือเปล่านะวันะวนี้ใจเราไปมี ควไม่พอใจเวลาเห็นคนทำไม่ดีนคนทําไม่ถูกใจเราไปพอใจเวลาเห็นคนทำดีคนทําถูกมันจะกลับมาดูตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองเพื่อพื่ที่ปฏิบัติธรรมนะพยายามกลับมาดูตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกทางที่สุดนะคนอื่นสิ่งภายนอกเนี่ยให้รู้ไว้คร่าวๆแต่ไม่ต้องไปเลยตัดสินว่ามันถูกมันผิดดีไม่ดีอย่างไรรู้ไว้ก็เพราะบางทีนะถ้าเราลองกลับมาปฏิบัติ แล้วก็ดูตัวเองจริงนะลองทบัวนดูบางทีไม่แต่ตัวเราเองนะเรายังบอกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้นะไม่แต่ตัวเราเองกนะ็ยังเป็นเช่นนั้นนะก็ยังมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาแน่ อ, อ่า น, อนไม่ได้เอาความชัดเจนบางทีก็ยังไม่ได้เลยนะเราแต่บางทีเรามักจะไปเอาความชัดเจนกับคนอื่นกับสิ่งอื่นเนี่ยถ้าเราพอทํามาปฏิบัติทำเราจะกลับมาดูแค่ตัวเองแก้ไขตัวเอง แต่ไม่ใช่เพาไม่รู้ภายนอกนะรู้ภายนอกเหมือนกันแต่รู้ไม่ใช่ไปให้ค่าให้ราคามากนะมันจะกลับมาให้ค่าในการเห็นกิเลสในใจตัวเองไหมลดละกิเลสออกไปจะกจิตใจได้ไหมนะแก้ไขพัฒนาตัวเองไปอันไหนที่ยังเป็นข้อตกทอดเออเรื่องปูขึ้นไปศรัทธาของเราตั้งมั่นดีไหมศรัทนธะาไม่ใช่แค่กราบแค่ไหว้แค่บูชาแต่เราศรัทธามากขนาดไหน เรง่ายๆอย่างเช่นเวลามีปัญหาเนี่ยเราเลือกใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาไหมหรือเราใช้อย่างอื่นแก้ปัญหาแทนจะเห็นได้ว่าพอเรามีปัญหาในชีวิตปัญหาในการงานปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีศรัทธาจริงๆนะเราจะกลับมาหาธรรมะกลับหาการปฏิบัติไม่ใช่ไปหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหาเนี่ยนจะเห็นเลยอ๋อนี่แหละคนที่มีศรัทธากับพัฒนาใจจริงๆเนี่ยพอเรามีปัญหาจริงก็จะกลับมา หากาปรปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปหาอย่างคือที่ช่วยแก้ไขบางคนไปหาหมอดูไปหาธรรมบุญสดอกเคเพื่อแก้ไขฉะนั้นไม่ใช่ศรัทาาแท้จริงเนี่ยถ้าศรัทาแท้จริงจะมาดูดูใจตัเองแก้ไขตัวเองอันเนี้ยวางใจงตัวเองถูแต่เราก็ดู้ศรัทธาเราตั้งมันมากขนาดไหนเชื่อเชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะเกิดผลก็คือความไม่ทุกข์มากขนาดไหนอันเนี้ย คือศรัทธานี้แท้จริงนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังอื่นแต่เพื่อว่าการปฏิบัติธรรมเออ่อทําให้ไม่ทุกข์ได้ทำให้ตความไม่ทุกข์ได้ไม่ต้องรอนะอนาคตด้วยแค่ทําเวลามีปัญหามีทุกข์เมื่อไหร่สัมมาแก้ทุกข์ด้วยวิธีนี้นทันทะีแต่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะตายตัวแค่การทําในรูปแบบเนาะก็คือพอแค่กลับมาดู ดูอารมณ์ดูความรู้สึกคือดูการการะทำในตอน น, น, นั้นก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะนี่คือเราจะเห็นในศะสัทธาเรามากขนาดไหนความเคียรของเรามากเมื่ขนาดไหนเวลาว่างๆเวลาไม่มีปัญหาเราเวลาของเราไปทําอะไรไมันจะเห็นนะมันจะรู้อ่าเรามีความเคียรมากไหมนี่ก็จะเห็นนะเวลาว่างๆเวลาสบายๆก็ดื่มธรรมะไปไม่ค่อยสนใจไปเพินกับโลกไปนะแต่ถ้าคนมี มีศัทธาตั้งมั่นก็จะมีความเพียรประกอบแล้วนก็รู้ว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหายังไม่ทุกข์หนักก็จะรู้ว่าอนาคตมันต้องทุกข์หนักไม่ใช่ทุกข์แค่ทางกายแต่บางทีก็ทุกข์ทางใจหรือบางทีอาจจะมีความทุกข์ทางใจถ้ามาเสริมท่าท่าสูญเสียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้ว่าโอ้เรายังไม่ถึงที่สุดเราอย่าประมาทนะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือฝึกฝนให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะ ความเค็มก็จะมีมากขึ้นของมันนะจนะนะิตสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมากเมื่อขนาดไหนอันนี้ก็เราก็ต้องเรียนว่าดูตัวเองไปค่อนะยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอันนะั้นคือคือค่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเราก็จะช่วยให้ตรงเนี้แต่มันเรียกว่ามันตั้งมั่นมากขึ้นพอเราทําตรงนี้ได้มากขึ้นลนะักษณะนิพพานก็ไม่ได้หีไปไหนแน่นอนนะจะต้องสำเร็จแน่นอน เพราะว่าอะไรพวกนี้เป็นเหตุเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เหตุที่ทําให้สื่อที่สุดของทุกข์ถ้าเราทำเหตุสนี้ถูกนะผลก็ต้องได้รับตามที่ผู้จศาสนาสอนเรื่องเหตุแล้วก็ผลแต่ไม่ใช่เหตุผลแบบการคิดเหตุผลนะแต่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดผลแบบนั้นแบบนี้นี่คือเรื่องของเหตุเหตุก็คือเรื่องการกระทำนี่แหละกรรมคือการกระทำกรรมางคนคิดว่าเป็นเรื่องของ ผลของกรรมหรือว่าวิบากกรรมเรามีกรรมแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเจอผลแบบนั้นแบบนี้ที่จริงอันนั้นมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไมได้เน้นหรอกพระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการกระทํา ท, ที่ปัจจุบนนันตอนนี้เราทําการกระทําอะไรในปัจจุบนันมันก็จะส่งผลให้เกิดผลนต่อไปแน่นอนสนะิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นวะเออเรามาทํากรรมฐานทํากรรมฐานคืออะไร คือการกลับมาดูกายดูใจของเรานี่แหละกลับมาดูมาศึกษารูซิว่ากายว่าใจนี่นเป็นแบบไหนมาแสดงอาการธรรมชาติที่แท้จริงเป็นเช่นไรกลับมาดูกลับมาดูเนี่ยคือการทํากรรมฐานจะอยู่ในค่ายืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มทำทายพูดคุยทําการทํางานมันจะมีกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักเลยว่าไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ร่องไปหรืออะไร มีหักให้เรากลับมาดูตัวเอง น, นี่คือการทํากรรมฐานนะแต่เราจะมาฝึกทํากรรมฐานกันนะตอนนี้เราก็โอกาสดีต่องสาวันนะมาทํากรรมฐานให้มันมากๆในรูปแบบไว้ก่อนก็ยังดีนะในรูปแบบพอทําได้คล่องต่อไปก็จะทํานอกรูปแบบได้มากขึ้นด้วยนอกจากบางคนบินตีแก่กล้านะทำนอกรูปแบบก็ได้ทันทีเลยก็มีเหมือนกันนะ แต่การทํางินรูปแบบก็จะช่วยทําให้เราแบบมันคล้ายๆอย่างน้อยความเคยชินควาเก่านะยืนเดิน น, นั่งนอนพูดคิดกินดื่มพับทายบา ท, ทีมันทําแบบอัตโนมัติพอมีกรรมฐานนะในรูปแบบนะมันก็ช่วยให้เราได้เปลี่ยนนยิยมอดเปลี่ยนท่าทางก็ทําให้เราได้มีสติมากขนะึ้นเนี่ยกรรมฐานในรูปแบบจะช่วยตรงนี้ได้นะก็เลยเป็นเรื่องที่ที่สําคัญที่ดเดียวกันเครับพวกเราก็จะได้เรียนรู้ ที่ว่าหลายคนก็ต้นหน้ากันอยูแล้วครับเจอกันมาหลายที่หลายทางหลายที่แล้วบางคนนะมีมีรู้สึกมีพี่ชายสองคนสาเคยเติฝึกกันไหมสองโยมโยเคยไปบ้างเหมือนกันไปที่ไหนก็แบบของหลวงพ่อเทียอะไรมีปัญหาเติมฝึกกันเนะเดี๋ยวพี่ชายทั้งหลังก็เติมฝึกียนอ๋อ ส่วนใหญ่ผมไปวัดบวรนะครับอันนี้หลงหลงพระเกียรยังไม่เคยฝึกแบบหลงพระเกียรเนาะเคยเคยไปลวกบ้างบาทีเข้ามาตอนที่ผมอยูที่พัทยาอนี่ยนะตอตทีเขากีเขก็มีอบรมอะไรอย่างเงี้ยก็ใ่หน้าต่างเดกผู้หญิงก็ใสยฝึกกันอเนาะเคยไหมยังไม่เคย กี่คนที่ยังไม่เคยฝึกแบบยกว่าเทียนเดียวไม่เคยฝึกแบบไหนเลยคนเดียวงั้นดงนั้นมีแต่คนเก่าๆแล้วเนาะเก่าแล้วไปไปข้างหน้าได้ไกลได้ยังเก่าแล้วเป็นคเนัริ่มๆมาอยู่เ้วอยที่กรรมฐานแบบนี้ น, ดด น, น, นะ ทำไปแล้วก็ลืมแล้วก็หลงไปงงไง <c oughs> งก็เหมือนต้องมานับหนึ่งใหม่ทุกครั้งนะก็ะต้านใหม่ทุกครั้งบางทีมก็เหมือนเนี่ยพายเรือไปนะเอพายเรือตัวน้ําพอไม่พายก็ไหลกลับมาตือที่เก่าไ <c> ห <oughs> ลลงไปตับตัวเก่าก็มีนะต้องทำลายตวนบ่อยๆตวนจะแตกกิเลสในใจของเราเนี่ยแหละเด <c oughs> ีเราก็จะได้ฝึกกันเนาะนะ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 เรนก็จะมีรูปแบบอยู่สองรูปแบบนันก็คือรูปแบบหนึงก็คือรูปแบบหนึ่งนั่งนะครนั่งสร้างตัวบังยิบรูปแบบนี้ก็ยืนเดินจบก้งจะมีอง ตอนนิจใจเราก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่การปักก็มีครับจะไม่รัน รู้อย wow ่างไรั ah ู้องก็ด yeah. ja> ูรู้ตรงๆก็ยังรู้ซึ้งรู้เฉยมีการเคลื่นไหวนะครับบางีหลต้องเขียนก็จะตอบว่าเรารู้ที่มาเอาดูไม่ขึ้นมาเราดูฝ่าไมลักลับเลยรู้นี้เขาต้องกลับแบ่งรู้้เขาต้องแบ่อันนี้จะรำซึ่งจะรู้อใช่ไหมครับ มีการกรรมัมมีการแปรงเนาะใช่ไหมฮะอันนี้เรารู้เฉพาะตัวอะไรบ้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยตาละน ó? น ó? น ó? เนาะนะครับตรงนี้นี่เปวามรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมะคือเราเนี่ยเราจะ เห <c oughs> <c oughs> ม่ยนาะเผลานั่งเบิ่หมายถึงว่าปล่อยใจคิด <c ười> เรื่อยไปเลยนะครับแล้วบกงทีก็เราก็ไม่รู้ว่ามันไปมาเนเท่าร่นะครับใช่ไมหมฮะบกงทีใจไปคิดถึงเรื่องที่แล้วมาเป็นฟุ้งใช่ไหมฮะอยู่ในนี้ไม่ฟุ้งนะครับแต่พอคิดไปคิดมาก็ฟุ้งลเก็เช่นนั้นก็คือทำนห้รู้นนะนะว่าเราเนี่ยจะไม่ปล่อยใจไปการฝึกเนี่ยนะครับ การฝึกเพื่อใหใจกับกายนะครับเขาอยู่ใ น, นใจ ใ, ใ, นใจกับกายการที่เรานั่งใจลอยไปนะการที่เราเติอคิดเรื่องคิดนี้ไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องพอคิดเรื่องม่เป็นเรื่องก็ลบสมองปวดหัวตรง น, นี้นะครความคิดนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียนนะ จะบอกบอกว่าความชิดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความุกัแล้วเป็นยังคือเมื่อใจเราเนี่ยเปเกาะเยอยูว่ความชิดเนี่ยเรากระทุ้งใช่ไหครับิดถึงเรื่องไม่ดีที่ผ่านมากระทุ้มนะัะเป็นเป็นนะรแต่อนนี้ตอนนี้จริงเรื่องที่เกิดมาก็อาจจะผ่านไปนานแล้วนะตอนนี้ก็เห็นมีทุกอะไรแต่คอามคิดทกกระทุงปากนะฮะเป็บทุกข์กระทุปากเป็นยังไงคือตรงเนี้ เราเนี่ยมันต้อฝึเพื่อที่ว่าเรงจะให้ใจเรานีมันต้อเป็นเกาอู่กับคู่แล้วใจกลับมาอยู่กันด้วยกับตัวใจกลับมาอยู่กนกตัวก็เเรียกว่าจิ้งคุกอไว้จะไหมกลับมาอยู่กนวตัวตรงนี้ความคิดที่ทาให้เราตุกมพถ้าใจเราพลนั่นคือตรงเนี้ยเราเรากันผมเทียนก็แนะนาว่าลองลองอยู่กักกบลูแบกกัน Thank oh. you. สาจะแข็ยกขึ้นีขาคคอสจะแขยกขึ้นในเขอตั ใจมัรับรู้มีการที่เคลื่อนไหวใจมันรับรู้เราดูเพื่อนว่าใจเราจะมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวได้ไหมมันทีเติรไปคิดบ้ไม่เป็นไรนะมีการเคลื่อนไหวลองรับอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ามีทั้ง14จังหวะมี14จังหวะเติรคิดไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาได้น มีจังหวะต่อๆไปที่คอยรับรับอยู่อย่างจะรณ์ของสองตําแหนก็อนี่ยเรอยู่กันดีมันจะเกิดความเคยชินเกิดความเคยชินว่าเออมีการเคลื่อนไหวมีสติมัคอยรับรู้มีการเคลื่อนไหวมีใจมันคอยรับรู้ เรายกมือสี่จังหวะมีการยกมือไปเอามือมาเรา 10, 000, 000, 000, เราู้สได้ไหมมีจังหวะเรื่อนมีจังหวะขยุ่ เราดูเรูดูการเคลื่อนไหวการดุการเคลื่อนไหวการยุจไปเลยในตั้หลต่างในตั้หล่อต่างตตามมักจะคิดนะสบายสบายการที่เราเริ่มดูการเคลื่อนไหวของกาย ที่เราเกหักงตัวเองเนี่ยที่จะโดน่อกคือแล้วก็ เราเริต้นตที่จนะมีเราเราดีอ่านฝผนัง ท, ที่เป็นนิสัยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองสามารถพัฒนาตัวเองได้สความเขียนก็จะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าคนดีอยู่ที่ไหน ยำความดีจริงๆคทำเงินกำไรบุญที <laughs> the, ่ถุกทางอย่างที่ถูกโดยที่วรเราจะไม่ค่อยเรียนรู้การใช้การวิ้ใจนี้เป็นประโยชน์เชินที่เรใช้ชีวิตไปบันมันอาจจะปล่อใจไปหาความคุ่ง กายมันไปสแบสนหาความทุกข์เสียเวลาไปใ <ừ. S 1> นสิ่งเก่าที่เรากลับมาตรงมันแล้วต้องที่ดูการเคลื่อนไหวของกายเราจะได้ค่อยเรียนรู้กายนี้เป็นยังไงใจนี้เป็นยังไงในิสัยของกายเป็นยังไงมี่ ใ, ใส่ของใจเป็นยังไงธรรมชาติของกายเป็นยังไงธรรมชาติของใจน เราก็จะได้รู้ตรี้เรารู้แล้วเราก็ใช้ผูกต้องใช้กายถูกต้องใช้ใจถูกต้อง ตอนที่รู้สึกอยู่การเคลื่อนไหวของกายเนป็นจุดต้นที่ทำให้เราได้ใช้ในการใช้ใจในการคุยจริงจะดีจะบังอย่าง ตอนไม่สื่อกลัวหัดไปใหม่ก็อาจจะไม่คล่องบ้างไม่เป็นไรนะฮหัดไปหัดไปนะเดี๋ยวก็ได้เราหัดอะไรที่เหมือนกันยังไม่คือตรงนี้พอเราทำได้แล้วกลับมาเอาใจใส่ที่การลื่อนไหวนี่ยเราดูที่มาเอาใจใส่ที่การเคลื่อนแล้วก็จะ รับรู้การเคลื่อนไหวได้ชัดเจนเมื่อไหายที่คิดก็ไม่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้สึกได้ว่าคิดเกากลับมาดูการเคลื่อนไหวของการใหม่นะรู้สึกได้ว่าคิดไปก็กลับมาใหม่ ความรู้สึกตัวเน10ยิกมินขึ้นรู้สึกได้ไหมยกมือขึ้ <c oughs> นรู้สึกได้ไหมตรงไปสู่ความรู้สึกตัวเนย พนอยู่ไม่ได้ต้องปับเปลี่ยนใ้เขา